แนะนำบทฟุสิลัสบทนี้เป็นบทมักกิยามีห้าสิบสี่องค์การที่ความสนใจในด้านหลักอักีอิสลามิยะคือการให้ความเป็นเอกภาพสารการฟื้นคืนชีพและการปรับแผนบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงอันกุรานซึ่งถูกประทานมาจากพระผู้ทรงเมตตาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์อันกระจ่างชัด ที่บ่งชี้ถึงความสัจด์ของมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะไลวะสัลลัมซึ่งเป็นการปฏิหารันยืนยงและการถาวรแก่ท่านนาบีบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่ององค์การและศาลโดยยืนยันถึงข้อเท็จจริงแห่งการเป็นศาสนาทูตพระองค์ทรงเลือกท่านจากปวงเบ่าทั้งมวลให้เป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เป็นผู้ชี้แนะไปสู่ศาสนาอันเที่ยงตรง ต่อมาบทได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของการสร้างมนุษย์ครั้งแรกการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยรูปแบบอันละเอียดอ่อนและรัดกุมซึ่งเป็นการตัดเปลี่ยนบรรดาผู้ผินหลังให้กับสัญญาณต่างๆของอัลลให้พิจารณาคร่ครวนและนึกคิดแต่ความมืดมนแห่งการปฏิเสธศรัทธาได้มาปิดกั้นระหว่างพวกเขากับการศรัทธาเสีย บทนี้ได้เปิดเผยถึงจุดจบของบรรดาผู้ปฏิเสธโดยได้ยกอุทาหรณ์ถึงประชาชาติที่มีพลังเข้มแข็งที่สุดแต่หญิงยะโสคือกลุ่มชนของอารดซึ่งความหญิงพยองของพวกเขาถึงขั้นที่พวกเขากล่าวว่าผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเราและได้กล่าวถึงสิ่งที่ประสบแก่พวกอารดและพวกสมุตคือความพินาศอย่างย่อยยับ ขณะที่พวกเขาเพลิกเพลินอยู่ในการละเมิดและปฏิเสธบรรด า, าศาสนทูตของอัลลอฮ์หลังจากได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดฝ่าฝืนบทนี้ยังได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธายำเกรงซึ่งพวกเขาได้ยืนหยัดปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์และาศาสนาของรโรมดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงยกย่องให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยความปลอดภัยและความสงบสุขในสวนสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักของพวกเขา โดยอยู่ร่วมกับบรรดานบีบรรดาผู้ซื่อสั์ยึดมั่นในสัจธรรมและบรรดาผู้ตายชดิและบรรดาคนสอและต่อมาบทได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาลที่ปรากฏเป็นภาพลักษ์แก่สายตานในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เพียกพร้อมด้วยเคล็ดลับและสิ่งแปลกประหลาดมากมายและท่าทีของผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่า ง, างๆที่ประจักษ์ชัดแจง้ง บทได้จบลงด้วยสัญญาณของอัลลอฮ์ที่มีต่อมนุษยชาติว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยให้พวกเขาได้เห็นเคล็ดลับบางประการของจักรวาล น, นี้ในบ้านปลายของวันสิ้นโลกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันั้งความจริงตามที่อัลกุรอานได้บอกเล่าไว้บทพุทศิลัต์ถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงจแจกแจงสัญญาณทั้งหลายไว้ในบทนี้ทรงอธิบายอย่างชัดแจ้งถึงหลักฐาน ที่ประจักษ์ถึงการมีและความยิ่งใหญ่ของประอตลอดจนการสร้างจักรวาลอย่างวิจิตพรพิสดารซึ่งเป็นที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่แห่งอำนาจของพระองค์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮาหมีมฮาหมีม มมอัลกุรอานี้ได้ถูกประทานลงม า, าจากพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเส ม, คมอคาาาาำพีซึ่งองค์การทั้งหลายได้ให้คำอธิบายววาอย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอาับกฤษสำหรับกลุ่มชน ููทีีม่มมควาร้ ا أ هم هم เป็นการแจ้งข่าวดีและเป็นการตเตือนแต่พวกเขาส่วนมากถิงนหลังให้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ยิน และพวกเขากล่าวว่าหัวใจของเราอยู่ในที่ปกปิดจากสิ่งที่พวกเจ้าเชิญชวนเราไปสู่และในหูของเราก็หนวกและระหว่างเรากับเจ้าก็มีม่านกั้นอยู่ ดังนั้นเจ้าจงทำสิ่งที่เจ้าพึนกระทำเถิดสำหรับพวกเราก็จะทำตามสิ่งที่เราจะกระทำลงกล่าวเถิดมวฮัมมัด ว่าฉันก็คือสามัญชนเยี่ยงพวกเจ้าแต่ได้มีองค์การแก่ฉันว่าพระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นจงมุ่งตรงสู่พระองค์เถิดและจงขอภัยต่อพระองค์และความวิบัติจงมีแด่บรรดาผู้ตั้งภักที่บรรดาผู้ไม่จ่าย z a ก, กา t และพวกเขาคือพวกปฏิเสธศรัทธาต่อวันก่อโลกแท้ <S <S จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี สำหรับพวกเขานั้นจะรับรางวัลอย่างวมิขาดสายจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงสร้างแผ่นดินภายในสองวันและพวกเจ้าตั้งพาคี คู่เคียงกับพระองค์กระนั้นหรือนั่นคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและในแผ่นดินนั้น พระองค์ทรงทำให้ผู้เขาตั no ้งมั่นอยู่บนมันและทรงให้มีความจำเริญในนั้นและทรงกำหนดปัดจจยอย่างชีพของมันให้มีขึ้นในระยะเวลาสี่วันอย่างเท่าเทียมกันแก่บรรดาผู้ไต่ถามทั้มื่สวาอค์และสวรรคิว่าที่ดุจานฟ้ากละ่าวเลิลอ่าดินทียาตัวงหรือครหัน และพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอกพระองค์จึงตรัสแก่ชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าเจ้าทั้งสองจงมาจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามมันทั้งสองกล่าวว่าข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจแล้ว ح ح ز ز และนั้นพระองค์ทรงสร้างมันสำเร็จเป็นชั้นฟ้าทั้งเจ็ดในเวลาสองวัน และทรงกำหนดหน้าที่ของมันให้ทุกชั้นฟ้าและได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกนี้ด้วยดวงดาวทั้งหลายและเป็นการป้องกันชัยตอนนั่นเป็นการกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ พระองค์กล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าให้รำลึกถึงความหายนะเยี่ยงความหายนะของพวกอาตและพวกสมุทรอิบแจอะทุมฟุซลุมิมนเบไอดีฮิมวะมินขลฟิห์มัลลาตับดูอิลลัลลอฮฺอาลูลเลวชาอะรับบูนาลลาอันลมาลัยกฺตันฟะอินนัฟะอ จงรำลึกถึงบรรดารอดซูลได้มาอย่างพวกเขาจากทางข้างหน้าพวกเขาและจากทางข้างหลังพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพพักดีผู้ใดนอกจากอาลัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่าหากพระผู้บานของเราทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะต้องส่งมาลายการลงมา ดังนั้นเราจรึงปฏิเสธสภาในสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมาแต่มดัสตบรฟ ا ل أ ض ب الحق و ق ا ر د م أو الله خ ل ق ه هو ش د م و ة ك ب ส่วนพวกอาร์ตัน พวกเขาได้หยิงพยองในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและพวกเขากล่าวว่าผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเราพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงหรืววอว่าผู้ทรงสร้างพวกเขานั้นทรงพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรา ดังนั้นเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเน็บมีเสียงตึกกล้องลงมาอย่างพวกเขาเป็นเวลาหลายวันแห่งความหายนาะเพื่อเราจะได้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษ อันหน้าอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และแน่นอนการลงโทษแห่งประโลกนั้นย่อมอัปยศยิ่งกว่าโดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ص ص และส่วนพวกสมุตินั้นเราได้ชี้แนะให้แก่พวกเขาแต่พวกเขาชอบเลือกเอาการตาบอดมากกว่าการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นความหายนะแห่งการลงโทษที่น่าอดสกูก็ได้ประสบกับพวกเขา ตามที่พวกเขาแสวงหาเอาไว้และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ยำเกรงให้รอดพ้นจากการลงโทษนั้นและจงรำลึกถึงวันหนึ่ง ซึ่งเหล่าศัตรูของอัลลอ์จะถูกชุมนุมเพื่อเข้าสู่ไฟนรกโดยพวกเขาจะถูกจัดเป็นแถวๆจาวาานรรจรกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงนรกหูของพวกเขาและตาของพวกเขาและผิวหนังของพวกเขา ก็จะเป็นพยานคัดค้านพวกเขาตามที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้และพวกเขากล่าวแก่ผิวหนังของพวกเขาว่า ทำไมพวกเราจึงเป็นพยานคัดค้านแก่เราเล่าพวกมันกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงให้เราพูดตามที่พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งพูดและพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าเป็นครั้งแรกและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องถูกนากลับไป كم, كم, ن ن แต่พวกเจ้าก็ไม่เคยปิดบังการทำความชั่ววาหูของพวกเจ้าและตาของพวกเจ้าและผิวหนังของพวกเจ้าจะเป็นพยานคัดค้านพวกเจ้าแต่พวกเจ้านึกคิดว่าอัลลอ์ไม่ทรงรู้ส่วนมากในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ และนั่นแหละการนึกคิดของพวกเจ้าซึ่งพวกเจ้านึกคิดต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นเป็นการทำให้พวกเจ้าประสบความหายนะและพวกเจ้าก็กลายเป็นผู้ขาด ดังนั้นหากพวกเขาอดทนต่อการลงโทษได้ไฟ น, นรกก็คือที่พำนักของพวกเขาและถ้าหากพวกเขาวิงวอนขอความโปรดปรานพวกเขาก็จะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ได้รับความโปรดปราน َقَيْضْنَا قُرَنَاءَ لَهُمْ لَهُمْ فَزَيَّنُوا وَمَا وَحَقَّ เราได้กำหนดสหายไว้สำหรับพวกเขา และพวกเขาก็ได้ทำให้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาให้เป็นที่ลุ่มหลงแก่พวกเขาดังนั้นประกาศสิทธิการลงโทษแก่ประชาชาติต่างๆของพวกบินและมนุษย์ที่ได้ล่วงลับไปก่อนหน้าพวกเขานั้นก็เป็นการสาสมแก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุน และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่าพวกเจ้าอย่าฟังอัลกุรอานนี้แต่จงทำเสียงอึกทึกในขณะนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะมีชัยชนะ แต่โดยแน่นอนเราจะให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาลิ้มรถการลงโทษอย่างแสนสาหัสและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาตามความชั่วที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ นั่นคือการตอบแทนแก่เหล่าศัตรูของอัลลอฮ์คือไฟนรกสำหรับพวกเขาจะพ้นนักอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล เป็นการตอบแพนตามที่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราและบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธากล่าวว่าโอ้พระผู้มิบานของเรา ได้โปรดให้เราได้เห็นทั้งสองอย่างทั้งพวกยินและพวกมนุษย์ผู้ซึ่งทำให้เราหลงทางเพื่อที่เราจะให้มันทั้งสองอยู่ใต้เท้าของเราเพื่อว่ามันทั้งสองจะได้อยู่ในหมู่ผู้เลวสามยิ่งอินนัลลดีน่กาลูรับบุนอัลลอฮทุมเสตวามุตเนัลเซลอารมุลมาลอยกะ ทแ่มอหนูท่านจึงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระผู้บริบาล์ของพวกเราและพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้นมาลกิกาจะลงมาหาพวกเขาโดยกล่าวกับพวกเขาว่า พวกเจ้าอย่าวาดกลัวและเศร้าสรดใจแต่จงต้อนรับข่าวดีคือสวนสวรรค์ที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาวไว้เถอพวกเรา เป็นผู้อารักขาพวกเจ้าทั้งในการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้และประโลกและสำหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่จิตใจของพวกเจ้าปรารถนาและสำหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าเรียกร้องเป็นการต้อนรับจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ من من ا إ และผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปส่วนหรอและเขาปฏิบัติงานที่ดีและกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอกน้อม ة, ن, ة, ة, และความดีและความชั่วนั้นหาได้เท่าเทียมกันไมเจ้าจงขับไล่ความชั่วด้วยสิ่งที่มันดีกว่า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 และจะไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากผู้ที่มีโชคลาภอันใหญ่หลวงและหากว่าการยุกยแย่ใ ด, ดๆจากชัยตอนมายั่วยุเจ้าก็จงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺเถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน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 และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا ي خ ف و ن علينا أ َ ف م ن ي ل ق ى ف ي ا ل ن ا ر خيرٌ أ َ م ن ي َ أ ت ي أ م ن ا ي و م َ ا ل ق ي ا م َ ة َ ع م ل و ا م ا ش ئ ت م ْ إ ن ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر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 อลกรบแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อข้อตักเตือนของอัลกุรอานเมื่อได้มีมาอย่างพวกเขาและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นคำพีที่มีอำนาจจริงบ ว ه, ความเพ็ดจากข้างหน้าและจากข้างหลังจะไม่คืบคลานเข้าไปสู่อัลกุรอานได้เพราะถูกประท า, านลงมาจากพระผู้ทรงปริชาญาติผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ ไม่มีสิ่งใดถูกกล่าวแก่เจ้าเว้นแต่ได้มีการกล่าวขึ้นแล้วแก่บรรดารอซูลเก่อหน้าเจ้าถ้าจริงพระผู้บานของเจ้านั้นแน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยทรงลงโทษอย่างเจ็บปวด ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقانوا لولا قصلا آياته أأعجمي وعربي إنه و للذين آمنوا دو وشفاء والذين لا يؤمنون فيه أذانهم وقوم وهو عليهم عما อและหากว่าเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาต่างชาติแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าทำไมองค์การทั้งหลายของอัลกุรอานจึงไม่ช so ัดแจ้งล่ะอัลกุรอานเป็นภาษาต่างชาติและนะบีเป็นคนอารับกระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลกุรอานนั้นเป็นทางนำที่เที่ยงธรรมและเป็นการบำบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธา ส่วนบรรดาผู้ไม่ศรัทธา น, นั้นอันกรานจะทำให้หูของพวกเขาหนวกและในตาของพวกเขาบอดชนเหล่านี้จะถูกร้องเรียนจากสถานที่อันไ ก, กไนร่ง และโดยแน่นอนเราได้ประธานคำภีแก่มูซาแต่ได้เกิดมีการขัดแย้งกันขึ้นในนั้นแต่มาดว่าคำกล่าวหนึ่งจากคราบผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วกคงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างแน่นอนและแท้จริงพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยจากในคำภีนั้น ผู้ใ ด, ดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผูดด้ใดกระทำความชั่วก็จะได้แก่ตัวของพวกเขาเองและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมีทรงอาธรรมต่อปวงบาวของพ ร, ระองค์ وما تخرج من تماث من أ م َ ا م ه ا وما تحمل من أمث ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا أذننا كما مننا من شهيد. <تصفيق> ไม่มีผลมไม้ใดออกมาจากเปลือกของมันและไม่มีหญิงใดอุ้มขันหรือคลอดทารกออกมาเว้นแต่ด้วยความรอบรู้ของพระองค์และวันที่พระองค์ทรงร้องเรียกพวกเขาว่าไหนเล่าพาคีทั้งหลายของข้าพวกเขาจะกล่าวว่าเราขอยืนยันต่อพระองค์ว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเป็นพยานได้ว่ลมม และสิ่งที่พวกเขาวิงวอนกราบไหวได้เจรต์หนีไปจากพวกเขาและพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขานั้นไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้และจะมุ่ินซานมิ دعاء อีลขยอิอิอิอิอิอิอิอิอ มนุษย์จะไม่เบื่อหน่ายต่อการยิงวอลขอความดีและเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่พวกเขาเ ข, าข้าเขาก็จะท้อถอยหมด อ, ล อ, อดาลัย และเมื่อเราได้เขาลิมรถความเมตาจากเราหลังจากความทุกยากได้ประสบแก่เขาแน่นอนเขาก็จะกล่าวว่า นี่คือความสามารถของฉันและฉันไม่คิดว่าวันอาวสานนั้นจะเกิดขึ้นแต่ถ้าฉันถูกส่งกลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนฉันจะมีคุณงามความดีหน้าที่พรงมดานั้นเราอัลลอฮ์ใช้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยรู้เห็นในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้แต่แน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษที่รุนแรง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 และเราได้าาววนนวพวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราในขอบเขตอันไกลโท้นและในตัวของพวกเขาเอง